เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติ มาสร้างความเจริญมาพัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถาวรเป็นการพัฒนาที่แท้จริงส่วนการพัฒนาสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนไม่จีรังถาวรเพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่สลาย ไม่หมดไปถ้าใจได้รับการพัฒนาการการพัฒนาก็จะอยู่ติดกับใจไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนพุทธบรยสัตว์ทั้งหลายได้มาพัฒนาที่จิตใจกันเพราะจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้ผล ที่ดีเลอรก็คือความสุขที่เรียกว่าปรามังสุดสุขขังความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายความสุขที่ไม่มีความทุกมาลบล้างทําลายได้ต่างกับความสุขที่เราได้รับจากการพัฒนาสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเป็นความสุขแบบควันไฟ มาแล้วก็จากหายไปเราได้ทำอะไรสำเร็จเราก็มีความสุขมีความดีใจอยู่สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นความสุขความดีใจก็หายไปมีความทุกข์ที่มาทดแทนความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลง ดังนั้นเราจรึงควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาจิตใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะสิ่งอื่นสิ่งอื่นๆทั้งหลายที่เราได้มาครอบครองเป็นสมบัตินั้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปเพราะสังขารร่างกายของเรา ก็ไม่จีรังถาวร mm. เช่นเดียวกันร่างกายของเราอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ตายไปอายุ8ปสิป mm. ีก็ทำอะไรไม่ได้รอวันตายไปส่วนสมบัติเข้าของเงินทองที่เราได้พัฒนาได้สะสมไว mm. ้ก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นต่อไป แต่ถ้าเราเอาสมบัตินี้มาพัฒนาจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมจิตใจของเราก็จะเจริญขึ้นดีขึ้นร่ำรวยขึ้นร่ำรวยด้วยทรัพย์ภายในก็คือความสุขที่เกิดจากคุณธรรม ต่างๆที่เราจะพัฒนาด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้เอง <c oughs> แล้วก็จะติดไปกับเราเวลาที่เราจากร่างกายนี้ไปจากโลกนี้ไปเราก็จะเอาทรัพย์ภายในที่เราได้พัฒนาได้สะสมไว้ติดตัวไปกับเราด้วยเราจะอยู่ เราจะไปอย่างมีความอิ่มหนำสำราญใจไปอย่างร่มเย็นเป็นสุขไปอย่างไม่มีความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านไปกันท่านไปด้วยสุกโตท่านไปด้วยปรามังสุขขังท่านไปด้วยการสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดท่านไม่ต้องไป เกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปสร้างไปพัฒนาใหม่เพราะว่าท่านได้พัฒนาสิ่งที่จำเป็นต่อตัวท่านแล้วก็คือใจของท่านนั่นเองนี่คือเหตุที่พวกเราต้องมาบำเพ็ญกันอย่างสม่าเสมอเพราะใจของเรานั้นยังไม่ได้พัฒนา ถึงจุดสูงสุดนั่นเองถ้าตราบใดยังไม่ได้พัฒนาถึงจุดสูงสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องมีต่อไปความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็ยังจะมีตามมาต่อไปแต่เราสามารถที่จะทำให้เบาบางลงไปได้ทำให้น้อยลงไปได้ด้วยการ บำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่ส่งสอนให้เราทำความดีให้มากทำบุญให้มากแล้วก็ให้ละบาปให้มากแล้วก็ให้ชาระใจของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดนี่คือหน้าที่ของพวกเรา นี่คือการบำเพ็ญของเราอยู่ที่ธรรมะสามประการนี้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมอย่างวันนี้เราก็มาทาความดีด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการกราบไหวบูชาพาระรัตนตรยัยและการกระทำความดีอื่นๆ ที่เราจะทำต่อไปคำว่าการทําความดีหมายถึงการกระทําที่เกิดคุณเกิดประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อผู้อื่น mm hmm. อย่างวันนี้ญาติโยมนาเอากับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานมาถวายพระอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําความดีเพราะนำความสุขมาให้แก่ผู้อื่นไม่ได้นำ ความทุกมาให้แก่ผู้อื่นนั่นเองการความดีมีหลายลักษณะด้วยกันแต่ขอให้เราดูตรงที่ดูที่คุณลักษณะก็แล้วกันว่าถ้าเราทำไปแล้วพูดไปแล้วเกิดประโยชน์ทำให้ผู้มีความสุขทำให้ผู้ได้รับประโยชน์ก็ถือว่าเราได้ทำความดี ส่วนการทำบาปก็คือการกระทำที่เกิดโทษแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นต้องทุกข์ต้องทรมานหรือถึงแก่เสียชีวิตไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบาปเราก็ไม่ควรที่จะกระทำเพราะการทำบาปนี้จะเป็นโทษแก่จิตใจของเราใจของเราจะมีความทุกข์วุ่นวาย มีความหวาดวิตกกังวลในขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องไปใช้หนี้ต่อไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปในอบายไปเกิดในสภาพที่ไม่น่าปรารถนากันเช่นไปเกิดเป็นเนราชานหรือไปตกนรกนี่คือการกระทำบา เราจึงต้องรักษาศีลกันเพราะศีลจะป้องกันไม่ให้เราทำบาสนั่นเองศีล น, นี่ก็เป็นเหมือนตาข่ายที่จะรองเราถ้าเราอยู่ที่สูงแล้วตกลงมาเราก็จะไม่กระแทกกับพื้นเพราะมีตาข่ายไว้คอยรับให้เราตกลงมาอย่างปลอดภัย ศีลนี้ก็เป็นตาข่ายที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายนั่นเองแต่จะให้เราไปเกิดในสุขติคือให้ไปเกิดในสวรรค์ให้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าอยู่ที่ศีลนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญแต่ ้จะไปสูงถึงขั้นระดับพระอริยเจ้าหรือสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องมีศีลต้องมีภาวนาต้องมีการปฏิบัติธรรมถึงจะไปถึงได้แต่ถ้าเราทาบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลคือไม่ทาบาปเราก็จะไปได้แค่ระดับสวรรค์กับระดับของมนุษย์เท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นก็ จะไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องเข้าฌานนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วถ้าจะไปขั้นอริยเจา้าก็ต้องเจริญวิปัสสนาต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นใยลับคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราและเพื่อจะได้ปล่อยวางไม่ยึดติด ก็เมื่อไม่ปล่อยวางไม่ยึดติดแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับนี่คือหน้าที่ของพวกเราทำบุญทำความดีละบาปแล้วก็ชำระใจด้วยการภาวนาใจนี้จะชำระได้ด้วยการภาวนาเพียงอย่างเดียว ส่วนการทำบุญให้ฐานรักษาศีนั้นเป็นเพียงกดความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ไม่สามารถที่จะกำจัดได้ต้องอาศัยการภาวนา สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนานี้เป็นการทำจิตใจให้สงบที่เราเรียกว่านั่งสมาธิเช mm hmm. ่นเราต้องการทำใจให้สงบเราก็ต้องควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าใจคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะไม่มีวันสงบ และวิธีที่จะทำให้ใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเ <_ d ata> ช่นเราจะระลึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเจอบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้ถ้าเราสามารถมีสติดึงใจเอาไว้ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไม่นานใจก็จะสงบลงจะรวมลมเป็นเอกตามลมที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้ใจเป็นหนึ่งรู้อยู่ตามลำพังไม่รับรู้เรื่องอื่นตอนนั้นตัดความรับรู้ทางวิญญาณ คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปในห้องเหมือนกับเข้าไปในห้องปรับอากาศแล้วก็ปิดหน้าตา่างไม่รับรู้กับเหตุการณ์ภายนอกอยู่ในห้องที่เย็นสบายมีความสุขแล้วนี่คือเรียกว่าสมาธิขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบใจว่างปล่อยวางไม่คิดเรื่องอะไร ตอนนั้นก็ไม่ควรไปบรบกวนปล่อยให้ว่างให้สงบไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะจะทำให้มีพลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงหลังจากที่ออกมาจากสมาธินั้นแล้วสมาธิแบบนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธิ แต่สำหรับบางท่านเวลานั่งสมาธิแล้วใจเมื่อรวมลงเข้าสู่ความสงบแต่จะไม่อยู่เฉยๆจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิจะเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าการออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องของดวงวิญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทพหรือเป็ น, เ ป, นเปรตหรือเป็นอะไรก็ตามการรับรู้เรื่องราวเหล่านี้จะทำให้จิตไม่ได้พักผ่อนเมื่อเวลาที่ออกมาจากสมาธิแบบนี้จิตจะไม่มีกําลังที่จะต่อต้านต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติทำขั้นสูงคือขั้นวิปัสสนาเพื่อตัดกิเลสเราต้องอย่าหลงติดอยู่กับสมาธิแบบนี้ถ้าเราไปรับรู้ถ้าจิตเราสงบแล้วออกไปรับรู้อะไรเราต้องดึงกลับเข้ามาข้าไในอย่าไปให้ออกไปดูเรื่องราวต่างๆดึงกลับเข้ามาหา ตัวรู้หาผู้รู้หรือหาลมหายใจหรือการบริกรรมก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ใจนั้นออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์คือเป็นความรู้ที่ผู้อื่นไม่สามารถรู้ได้ก็ตามแต่ความรู้เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็น ความรู้ที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือดับทุกข์ทั้งหลายได้ยังไม่ใช่เป็นโลกุท ธ, ธรรมแต่เป็นโลกิยะธรรมเป็นความรู้ทางโลกถ้าไปหลงติดอยู่กับความรู้แบบนี้ mm. ก็จะไม่มีกำลังที่จะก้าวขึ้นไปสูงทำขั้นสูง คือขั้นวิปัสสนาได้ทุกครั้งเวลานั่งก็จะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มีความสุขกับความรู้นั้นหรือเอามาใช้ความรู้เหล่านั้นไปตามอำนาจของความโลภความอยากต่างๆอย่างนี้ก็จะกลายเป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาความโลภความโกรธความหลงหรือเพื่อการสะสมความโลภ ความโกรธความหลงให้มีมากยิ่งขึ้นอย่างพวกที่เขามีตาในแล้วเขามีอาชีพทำนายทายทักต่างๆเขาก็มีความสามารถในทางสมาธิที่สามารถจะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แต่เขาก็เอาความรู้นี้มาใช้ตามอำนาจของความโลภความอยาก เขาก็เลยไม่สามารถที่จะตัดความโลภความอยากไม่สามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้และถ้าใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นการที่ได้ความรู้พิเศษต่างๆจากการนั่งสมาธิเช่นการระลึกชาติได้ก็ดีการได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ ได้พบกับเทพกับดวงวิญญาณชนิดต่างๆก็ดีนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจเลยแต่กลับเป็นโทษกับจิตใจถ้าไปหลงยึดติดาะจะทำให้ไม่สามารถพัฒนาทางขั้นระดับวิปัสสนาได้ยาไม่สามารถตัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นถ้าเรานั่งแล้วจิตสงบแล้วออกไปรู้ต่างๆเราต้องดึงจิตกลับเข้ามาอย่าตามไปรู้จะทำให้เราหลงติดอยู่กับความรู้เหล่านี้แล้วก็จะไม่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นไปกว่านี้ได้ทางที่ดีควรทำจิตให้สงบนิ่ง ให้ว่างไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่รับรู้กับเรื่องราวต่างๆหรือถ้ามีเรื่องราวต่างๆมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วสิ่งที่จะมาให้เรารับรู้ก็จะหายไปถ้าเราอยู่ในความสงบได้นานมากเท่าไหร่ใจก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้หรือต่อต้านกับความโลภความโกรธความหลง ได้มากขึ้นเท่านั้นพอเราออกจากสมาธินี้แล้วขั้นต่อไปก็คือเราก็ควรที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาคือปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปด้วยการพิจารณาขันห้าหรือขั้นต้นให้พิจารณาสิ่งภายนอกกายก่อนก็ได้เช่นพิจารณาลาบยบสะละเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราพิจารณาว่าเห็นเขาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะปล่อยวางเราก็จะไม่เกิดความโลภอยากได้ในลาบยศสรรเสริญล่าสุขที่ได้จากการเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรพะต่างๆนี่เองเมื่อเรา ปล่อยวางได้ต่อไปเวลาราบยศสลรเสรินสุขมีการเสื่อมก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเรายังมีความโลภความอยากยังมีความยึดติดในราบยศสารเสรินสุขอยู่เวลาเขาเสื่อมลงไปก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองมีความทุกข์เวลาเขาจเจริญเราก็จะดีอกดีใจ แต่ใจของเราก็จะไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมได้แล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องพบกับความเสื่อมของสิ่งเหล่านี้หรือการจากพัดพากจากไปจากสิ่งเหล่านี้ตอนนั้นใจของเราก็จะต้องทุกขทรมานถ้าเรามีความรับผูงแหงมมีความยึดติดอยู่กับในสิ่งต่างๆทั้งหลาย แต่ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดเป็นทุกข์ันต้องเสื่อมลงไปสักวันหนึ่งไม่ใช่สมบัติของเราถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะปล่อยวางเพราะเรามีกำลังคือมีสมาธินี่ช่วยสนับสนุนแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิอย่างตอนนี้เรายังไม่ได้นั่งสมาธิ จิตเรายังไม่เคยรวมลงเลยแต่เราก็เคยได้ยินได้ฟังว่ า, าลาภยศสรเสริญสุขนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่เราจะไม่สามารถต่อสู้กับความโลภต่อสู้กับอุปทานความอยากได้หรือความยึดติดในาลาภยศสารเสริญสุขได้เลยเพราะเราไม่มีกำลังนั่นเองเราไม่มีสิ่งที่จะมาทดแทนความสุข ที่ได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้รับจากราบยศสรรเสริญแต่ถ้าเรามีสมาธิจิตของเราสงบรวมลงเป็นหนึ่งจิตของเราจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเรามีความสุขของจิตแล้วของความสงบแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางความสุข ทางตาหูจมูกลินกายได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสได้ทางลาบยศสรรเสริญสุดได้เช่นพระพุทธเจ้าที่ทรงสละราชสมบัติได้เพราะพระองค์นั้นมีสมาธิแล้วได้เคยเจริญมาในชาติก่อนๆจิตพระของพระองค์นั้นสงบมีความสุขพอที่จะอยู่โดยไม่มี ลาบยศสรรเสริญไม่มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะได้นี่คือความสำคัญของการฝึกสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไปข้าวิปัสนาก็จะเป็นแบบวิปัสนูไปแบบวิปัสนึกไปคือคิดว่ารู้แล้วคิดว่าละได้แล้วคิดว่าตัดได้แล้วแต่พอถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้น ก็ไม่สามารถทำใจได้ไม่สามารถทำใจให้เป็นปกติไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปได้ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เราจึงควรที่จะทำสมาธิให้ได้ก่อนแต่การเจริญวิปัสสนาก็เจริญได้แต่เป็นการทำการบ้างไปพลางๆก่อนแต่จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนี้ จะต้องอาศัยของกำลังของสมาธิเป็นหลักถ้ามีสมาธิมากเท่าไหร่ก็จะสามารถ เ, เจเริญวิปัสสนาได้มากขึ้นเท่านั้นเช่นในสมัยพระพุทธการตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมรเทศนาโปรดพระปัญจวาคัคคีพระปัญจวัคคีนี้เขามีสมาธิกันหมดทุกคนแล้วมีฌานมี มีความสงบของจิตพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจสี่ทรงแสดงเรื่องของมรรคแปดแสดงความเสื่อมของลาบยศสลรเสริญสุขของขันห้าคือร่างกายรูปเวทนาสัญญาสางขารวิญญาณหนึ่งในพระบรงจกวัครีก็สามารถบรรลุทำได้เลย คือมีดวงตาเห็นธรรมว่าธรรมดที่มีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปธรรมดาเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาท่านยอมรับความตายได้อย่างสบายใจท่านไม่มีความทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเลยเพราะจิตของท่านนิ่งนั่นเองจิตของท่านมีสมาธิที่จะสามารถรับยัง ความหวาดกลัวต่างๆที่เกิดจากการที่จะต้องพบกับความตายนั่นเองท่านรู้อยู่ในใจว่าความกลัวตายนี้ไม่มีอยู่แล้วนี่คือกำลังของสมาธิแต่พวกเรานี้พอคิดถึงความตายนี้ใจของเรายังจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยเพียงแต่คิดเท่านั้นเองยังไม่ได้ยู่ใกล้ความตายเลย และเวลาที่เราอยู่ใกล้ความตายนี้ใจของเราจะสั่นหรือหวั่นไหวขนาดไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเราไม่มีความสงบนั่นเองไม่มีสมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจของเราจะนิ่งจะสงบจะสบายดังนั้นเราต้องฝึกสมาธิให้ได้ เมื่อได้แล้วเราก็ค่อยมาสอนใจให้ปรงให้วางให้ตัดสิ่งต่างๆใจก็จะตัดได้ที่ต้องสอนใจก็เพราะว่าสมาธินี้ไม่รู้ว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นอนัตตาต้องอาศัยวิปัสนาหรือปัญญาเป็นผู้ชี้เป้าชี้บอกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์อย่าไปยึดอย่าไปติด นี่คือหน้าที่ของปัญญาของวิปัสสนาส่วนสมาธิพอรู้แล้วก็จะได้ทำใจให้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดได้นี่คือการทำงานของการภาวนาระหว่างสมถะและวิปัสสนาภาวนาเป็นธรรมที่ควบคู่กันไปหรือเป็นเป็นมิตรสหายกันเป็นเป็นเพื่อนในสนามรบ ต้องมีทั้งสองคนถึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้เหมือกับการเดินเราต้องมีเท้าสองเท้าถึงจะเดินไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเราใช้เพียงเท้าเดียวเราก็จะต้องกระโดดไปขย่งไปก็จะไม่สามารถเดินไปได้ไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราต้องใช้ทั้งสองอย่าง สมถะและวิปัสสนาผัดกันทํางานตอนต้นก็ทําสมถะให้จิตมีความสงมบพอจิตมาสงบแล้วก็ออกมาสอนจิตให้รู้ว่าอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อสอนไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเหนื่อยก็อยากจะพักก็หยุดแล้วก็กลับไปพักในสมถะในสมาธิต่อ เป็นเหมือนกับเวลาที่เราทำมาทงานทำการตอนเช้าเราก็ออกไปทำมาหากินตอนเย็นเราก็กลับบ้านมาพักผ่อนอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารหลับนอนการปฏิบัติก็ต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งส่วนที่ต้องพักและส่วนที่ต้องทำสมถะก็คือที่พักใจที่พักของจิตส่วนวิปัสสนาก็คือการการทำงานของใจ จะต้องมีทั้งสองส่วนถึงจะสามารถชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้สามารถทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์บรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยการภาวนาคือทั้งสมถะและวิปัสสนาส่วนการภาวนาก็ต้องมีศีลคือการไม่ทำบาปเป็นเครื่องสนับสนุน และบุญคือการความดีคือการทำความดีต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนศีลอีกทีหนึ่งเราจึงต้องทำทั้งความดีละบาปและปฏิบัติธรรมก็คือชาระใจให้สะอาดโดยสุดถึงจะทำให้กิจที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเรานี้บรรลุได้สำเร็จลุล่วงไปเป็นการพัฒนาจิตใจอย่างถาววอ พอเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วก็ไม่ต้องพัฒนาอีกต่อไปและไม่ต้องไปเกิดใหม่ไปพัฒนาใหม่ไม่เหมือนกับการพัฒนาภายนอกอย่างที่พวกเราพัฒนากันพอตายไปเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปพัฒนาใหม่ไปสร้างสมบัติสร้างฐานะใหม่แลวพอตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงขอให้เรา เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจของเราเพราะจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรและมีการสิ้นสุดไม่ต้องพัฒนาไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญมาปฏิบัติพัฒนาจิตใจของพวกเรา